สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักรคุณชอบเล่าคลิปนี้พอดีผมได้ไปเจอข้อมูลที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้กรุณาแชร์มาให้ผมถ่ายทอดให้ฟังโดยที่ท่านสมาชิกท่านนี้ไม่ขอเปิดเผยนามเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังนี้เป็นเรื่องราวที่คุณตาของท่านสมาชิกท่านนี้เล่าให้ฟังเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคุณตาของผมแกเป็นคุณชอบเที่ยวป่าเดินป่าและหาของป่าถึงแม้ว่าแกจะไม่เสพสารก็ตาม แต่แกก็มีวิชาอาคมติดตัวพอสมควรด้วยเพราะว่าในวัยหนุ่มของแกนั้นแกมีอาชีพเป็นสั ป, ปเปอร์เป็นตามธรรมดาของคนต่างจังหวัดส่วนมากก็มักจะมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าและเขาผมเองได้มีโอกาสได้สนทนากับแกเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ป่าและก็เรื่องราวต่างๆในป่าที่มันลึกลับซึ่งแกก็ได้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องของผีโป่งและโป่งข้างจากประสบการณ์และความเข้าใจของแกแกบอกว่า ผีปโป่งก็คือสิ่งลึกลับบางอย่างที่มีที่อาศัยอยู่ตามดินปโป่งซึ่งดินปโป่งนี่เองก็คือแหล่งรวมแร่ธาตุอาหารที่สัตว์หลายชนิดต้องการพวกมันจะพากันมากินเพื่อเสริมสร้างร่างกายของพวกมันให้แข็งแรงด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดที่ต้องตาต้องใจของพรานต่างๆที่มักจะเข้าไปขัดห้างดักจับสัตว์ตรงนั้นถือว่าเป็นที่นิยมของพรานก็ว่าได้และสัตว์ที่ถูกฆ่าตายตอนลงมากินดินปโป่งนั่นเองเมื่อมันตายลงวิ ญ, ญญาณของสัตว์เหล่านั้นก็จะกลับกลายไปเป็นผีปโป่ง อาจจะด้วยแรงแค้นและพยาบาทจึงส่งผลให้เป็นไปทางนั้นซึ่งเรื่องราวของผีโป่งนั้นพรานห ล, หลายๆคนก็มักจะเคยมีประสบการณ์ส่วนมากที่พวกพรานจะเจอจะมีลักษณะหน้าเล็กๆแบบชะ น, นีแต่หน้าจะเหี่ยวและแก่ประมาณอย่างคนอายุยสักร้อยปีที่หัวนั้นก็จะมีผมออกเป็นกระจุกกระจุกก็คือว่ามีบ้างและไม่มีบ้างเสียงร้องที่ร้องออกมานั้นก็จะหวีดแสบแก้หูเลยทีเดียวที่ร้ายก็คือมันมกักจะชอบแอบมาดูดเลือดที่ปลายนิ้วเท้าของคน เรีกว่าดูดไปกจนหมดตัวเลยทีเดียวส่วนมากพวกที่เข้าป่าไปและไม่มีความรู้เกี่ยวกับผีโป่งและอาถรรพ์ต่างๆนั้นหลายรายก็มักจะเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดายสภาพศพก็คือจะนอนตายแบบตัวซีดไม่มีเลือดเหลือด้วยเป็นเพราะว่าได้ถูกผีโป่งสูประจนหมดแล้วแล้วก็ยังมีโป่งข้างโป่งข้างก็คือข้างที่แก่ที่อยู่มานานเรียกว่าอยู่มานานมากโดยปกติแล้วข้างจะถอนพืชกินผลไม้เป็นอาหารพบได้ไม่ยาก เพียงเดินเข้าไปในป่าประมาณ 2-3 กิโลเมตรก็พบแล้วโดยที่พมนักอาศัยก็คืออยู่ตามต้นไม้แต่ถ้าเป็นข้างแก่ๆที่ขึ้นชื่อว่าแก่มากๆ ก, ก็มักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนก็คือจากที่เคยกินแต่ผลไม้ก็หันไปกินเลือดกินซากเนื้อเอาซะอย่างนั้นจากที่อยู่บนต้นไม้ก็จะลงมาอยู่ตามพื้นราบแทนและก็มักจะเข้าไปอยู่ในป่าลึกพบเห็นได้ยากมันก็จะมีเป็นคําถามว่าทําไมไม่เรียกกันว่าข้างผี ก็เพราะว่ามันมักจะกินซากสัตว์เลือดสัตว์คล้ายๆกับผีโป่งและเพราะการที่มันกินเลือดสัตว์กับเนื้อสัตว์นั้นก็ทําให้มันมีวิญญาณต่างๆมาสิงสู่ก็เหมือนกับเสือที่กินคนเข้าไปมากๆดวงวิญญาณของคนที่ตายไปก็มักจะมาสิงเสือตามความเชื่อจึงทําให้กลายเป็นเสือสมิงไปก็เช่นเดียวกันกับโป่งค้างแต่พวกโป่งค้างหากมันตายลงมันก็จะกลายเป็นผีโป่งแล้วก็จะเรียกกันว่าผีโป่งค้างที่แตกต่างกับผีโป่งก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ตามดินโป่ง มันจะเร่ร่อนไปทั่วป่าและตาแก่ยังบอกอีกว่าหลายคนก็ไม่ได้เข้าใจผิดกันว่าผีโป่งกับผีโป่งข้างนั้นมันคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเพียงแค่คล้ายกันการเกิดของพวกมันนั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยผีโป่งข้างจะมีลักษณะเหมือนข้างทุกอย่างแต่ตัวมันจะใหญ่กว่ามากแล้วก็แก่มากส่วนผีโป่งนั้นก็อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นที่แกบอกได้นั้นก็เพราะว่าตัวแกเคยได้มีประสบการณ์และได้เจอมาแล้วเดีย๋ยวว่าแต่เรื่องผีโป่งกับผีโป่งข้างเลย เรื่องของสมิงแกก็เจอมาแล้วแกเล่าให้ฟังว่าสมิงมันมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือคนที่ร่ําเรียนอาคมสายเวทต่างๆมามากแล้วเกิดควบคุมไม่ได้หรือว่าอาจจะทําผิดครูผิดข้อห้ามบังคับต่างๆที่ได้รับปากเอาไว้จึงได้ทําให้ของเหล่านั้นที่ร่ําเรียนมาย้อนกลับเข้าหาตัวเองแล้วก็ทําให้ต้องกลายเป็นสื่อสมิงไปหรือไม่บางทีก็เป็นปอบเป็นกระหังแล้วแต่วิชาแล้วแต่ครูที่เรียนกันมาว่าจะออกมาในรูปแบบไหน บางคนไม่ต้องแปลงร่างแต่อาจจะเป็นบ้าไปเลยก็คือประเภทที่เรียกกันว่าของเข้าตัวประเภทที่2คือเสือที่กินสัตว์ป่ามามากซึ่งก็เป็นธรรมดาของสัตว์นักล่าที่อยู่บนด้านบนของห่วงโซ่อาหารแต่เสือตัวนั้นหากจะกินสัตว์มามากมันก็ยังไม่เท่าไรแต่ถ้าหากว่าได้กินคนไปแล้วและเป็นจํานวนที่มากด้วยดวงวิญญาณของคนที่ตายเพราะเสือก็จะมีความแค้นมีความพยาบาทตามวิถีของสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่ล้วนแต่รักชีวิตของตนเองทั้งนั้น แค้นเพราะมีห่วงแค้นเพราะยังไม่อยากตายและจิตสุดท้ายที่เคียดแค้นนั้นก็เข้าไปเสี่งอยู่ที่ตัวเสือเสือตัวนั้นถึงได้กลายเป็นเสือสมิงไปและถ้าอากจะถามว่าดวงวิญญาณของคนที่ถูกเสือกินนั้นทำไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดก็เพราะว่าบางครั้งศพผู้ที่ตายเหล่านั้นไม่ได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณให้ถูกต้องตามกำหนดธรรมเนียมกระเพณีเป็นเหตุให้ดวงวิญ ญ, ญาณเหล่านั้นไปไหนไม่ได้กลายเป็นผีเฝ้าป่า แล้วก็คอยติดตามเสือตัวที่ฆ่าตัวเองก็เพราะว่ามีบ่วงเว้บ่วงกรรมต่อกันและหากยิ่งเสือตัวนั้นได้กินคนมากเข้าไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นเสือสมิงไปทันทีมีความเฉลียวฉลาดเหมือนคนยิ่งฟันไม่เข้าถ้าหากไม่มีวิชาก็ไม่สามารถจะทําอะไรมันได้และก็จะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือ 3. ัสัสก็คือเสือที่แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในป่ามานานมากแต่ก็ไม่นับว่าเป็นเสือสมิงแต่สางมักจะมีอาคมหรือความขลังในตัวของมันเอง มีความฉลาดที่มากเหมือนกับความแก่ของมันนั่นเองคล้ายกับคําที่กล่าวกันว่าถ้าไม่แน่จริงคงอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้ก็ลองคิดดูกันนะครับว่าสางนั้นมีอาคมหรือเปล่าธรรมดาของเสือนั้นเขี้ยวจะตันแต่สําหรับสางนั้นเขี้ยวมันจะกลวงตัวสางจะมีลักษณะที่ใหญ่มากและเมื่อพูดถึงเขี้ยวที่กลวงของมันนั้นนักสะสมมักจะนิยมกันมากถือได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ดีนักแหลป้องกันภัยอันตรายได้เกือบทุกชนิด ถือกันว่าเป็นของดีที่คุ้มภัยอันตรายกับตัวมันสารนั้นจะไม่เดินหากินพร่ำเพื่ออาจจะด้วยเพราะตะบะที่แข็งกล้าของมันจึงทําให้สัตว์ที่อยู่ภายในอาณาเขตของมันมักจะเดินมาเป็นเหยื่อให้มันกินโดยง่ายและเมื่อพูดถึงสมิ่งกับสางแล้วตาผมก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่ามีครั้งหนึ่งและ ว, วันหนึ่งที่เดินป่าในช่วงปีพุทธศักราช2520แกได้เดินเข้าป่าหาของป่ากับเพื่อนเพื่อนของตาชื่อตะแพร่ก็ไปกันสองคน ป่าที่เดินนั้นคือป่าลึกในจังหวัดขอนแก่นอําเภอหนองสองห้องวันนั้นแกกับตาแพร่ได้เดินเข้าไปในป่าลึกมากเดินหาของป่ากันจนเย็นก็จําเป็นต้องทําที่พักทําห้างขึ้นนอนกันหลังจากที่ทําห้างกันเสร็จเรียบร้อยก็ช่วยกันทําอาหารกินกันข้างล่างก่อนที่จะขึ้นไปบนห้างวันนั้นตาแกสังเกตได้ว่าป่ามันเงียบผิดปกติซึ่งเวลาในขณะนั้นก็เพียงประมาณ5้าโมงเย็นมันน่าแปลกที่ป่าทั้งป่าเงียบสนิท และตาแพร่ก็ได้สะ ก, กิดแกและบอกว่าให้รีบกินให้รีบขึ้นห้างหลังจากที่กินกันเสร็จแกทั้งสองคนก็ขึ้นห้างกันขึ้นไปได้สักพักความมืดนั้นก็เริ่มเข้ามาปกคลุมผืนป่าและป่าทั้งป่านั้นก็มืดลงทันทีในบรรยากาศที่มืดวางเวงของป่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งตัวแกและตะแพร่นั้นได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเหมือนฝูงม้าวิ่งอยู่ ร, บรอบๆเสียงกรอบๆเหมือนป่าจะแตก สักพักหนึ่งเสียงนั้นก็หายไปตาผมและตาแพรวนั้นได้แต่มองหน้ากันและก็รู้กันโดยทันทีว่าจะวางใจอะไรไม่ได้ด้วยพระของที่ติดตัวกันมานั้นก็แค่เพียงมีดดาบยาวคนละเล่มพร้อมด้วยมีดหมอกับของดีอีกเล็กน้อยที่อยู่ในย่ามและตาผมกับตาแพร่นั้นต่างก็มีวิชาที่ดีติดตัวกันมาหลังจากที่เสียงแปลกๆนั้นผ่านพ้นไปก็นั่งกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติจึงได้นอนกัน และช่วเวลาประมาณสักตีหนึ่งตาของผมก็ต้องตื่นขึ้นเพราะว่าตาแพรวมาสะ ก, กิดปลุกแล้วก็ถามว่าได้ยินอะไรไหมเสียงคนไออ่ะตาผมหลังจากที่ตื่นขึ้นก็พยายามฟังแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงไอมาจากไกลๆจริงๆและใส่ตาของทั้งคู่ก็เหลือไปเห็นแสงไฟวับวับแวมแวมแล้วก็หายไปก็ได้แต่มองตากันด้วยความงงแต่ก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ปกติทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าไม่ต้องนอนแล้วก็คุยกันเบาๆว่า บรรยากาศมันเริ่มไม่ดีซะแล้วและระหว่างที่คุยกันเงียบๆนั้นเสตาก็เหลือไปเห็นร่างร่างหนึง่งลักษณะคล้ายคนแก่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ขัดท้างอยู่ตาแกหันไปสกิตแต่แพ่วแต่แพลวถึงกับสะดุ้งต่างคนต่างเงือตกและนั่งตัวแข็งคนแก่ที่เห็นนั้นไม่ได้มองขึ้นมาระหว่างที่จ้องมองดูอยู่ด้วยความเงินงงกันนั้นสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นแต่แก่คนนั้นพยายามปีนขึ้นมาไม่เห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าแต่แพ่วตะโกลถามว่า เฮ้ยนั่นใครวะไม่มีเสียงตอบแต่แพร่ก็ตะโกนขู่อีกถ้าไม่หยุดปีนขึ้นมาจะยิงให้หัวกระจุยซึ่งถือว่าเป็นการขู่จริงๆเพราะจริงๆแล้วทั้งสองคนที่นั่งอยู่บนห้างนั้นไม่มีปืนเพราะว่าต่างคนก็มีเพียงมิดดาบคนละเล่มสิ้นสุดคําขู่นั้นชายแก่ที่กําลังปีนขึ้นมาก็หยุดแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูเป็นใครมึงอยากจะรู้ก็ลงมาดูตาผมเลยบอกว่ากูไม่ลงแล้วชายแก่ก็พูดว่างั้นกูจะขึ้นไปเอง จากนั้นก็ปีนขึ้นมาอีกค่อยๆปีนขึ้นมาจนได้ระยะที่ใกล้แต่แพร่เห็นท่าไม่ดีแต่โกนทันทีว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนตาผมได้สติก็หยิบมีดหมอออกมาแล้วก็ว่าคถาบอกเจ้าป่าเจ้าเขาระหว่างที่ท่องคถาอยู่นั้นต่างคนก็ต่างถวาเพราะว่าตะแก่คนนั้นตะกุยขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อได้ระยะที่เกือบจะถึงข้างบนนั้นตาผมก็เอามีดหมอแทงสวนไปที่จมูก ข, ของชายแก่คนนั้นได้ผลชายแก่คนนั้นร่วงลงไปร้องเสียงหลงเหมือนสัตว์ที่เจ็บปวด แล้วก็วิ่งหายเข้าไปในปา่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตาผมและตาแพร่ช็อกมากจากนั้นทั้งตาผมและตาแพร่ก็นั่งคุยกั่จนถึงเช้าและเมื่อแสงของรุ่งอรุณสับขอบฟ้าทั้งตาผมและตาแพร่จึงพากันลงมาจากห้างสำรวจดูร่องรอยของต้นไม้และรอบบริเวณนั้นก็ปรากฏว่าต้นไม้ที่ห้างขัดอยู่นั้นมีรอยเล็บเสือเต็มไปหมดเหมือนว่ามันนั้นพยายามจะตะกุยขึ้นมาจริงๆไม่เห็นร่องรอยเช่นนั้น ทั้งตาผมและตาแพรวก็มั่นใจได้ทันทีว่าสิ่งที่พบเห็นเมื่อคืนตาแก่คนนั้นก็คือเสือสมิงนั่นเองห่างจากต้นไม้ไปอีกเล็กน้อยก็พบรอยเลือดเป็นทา ง, ทางไปตาผมและตาแพร่จึงตัดสินใจเดินทางกันออกจากป่าหากแม้ว่าจะไปตามล่ามันก็ไม่ได้เพราะต่างคนตาก็มีแค่มีดไม่ได้เอาปืนมาด้วยพระจุดประสงค์หลักก็คือการเข้าไปหาของป่าไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกของแก มีหลายครั้งที่แกเข้าป่าแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆไบ่อยแต่นี่ก็คือครั้งหนึ่งที่ถือได้ว่าตื่นเต้นนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งของตาผมเกี่ยวกับเรื่องของเสือสมิงปัจจุบันนี้แกยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เลือกเข้าป่าไปนานแล้วครับแล้วเรื่องราวที่ตาเล่าว่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้สั้นไปหน่อยต้องขออภัยนะครับขอบคุณท่านสมาชิกผู้แชร์เรื่องราวและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ